ติดต่อกับโอปาปติกาโดยปกติการติดต่อกับโอปาปติกะทาได้สาวิธีกล่าวคือ 1. เชิญลงถ้วยซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าขีถ้วยแก้วซึ่งวิธีนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีและเรียกว่าอาธาสปัญหาตามตัวแปลว่าถามปัญหาทางกระจกหรือแก้ว คำนี้ศาสตราจารย์ริสเดวิสแปลว่า Mirror Questioning และทกาฐาอธิบายว่าได้แก่การเชิญเทวดาลงในแก้วแล้วถามปัญหาสองเข้าทรงวิธีนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีจะเรียกว่ากุมารีปัญหาคำนี้ศาสตราจารย์ริสเดวิสแปลว่า o b t e i n i n g oracular answer from a girl supposed to be possessed by a spirit และอธิกาษาอธิบายว่าได้แก่การเชิญให้เทวดาเข้าสิงในสิริลของกุมารีแล้วถามปัญหาสามโดยวิธีเข้าสมาธิไปติดต่อซึ่งผู้ที่จะเข้าสมาธิไปติดต่อได้ จะต้องได้สมาธิขั้นสูงเข้าได้ลึกจนไม่รู้สึกตัวและมีแสงสว่างเกิดขึ้นภายในใจด้วยแสงสว่างที่เกิดขึ้นภายในใจนี่แหละที่ทำให้เห็นรูปร่างโอปปะปิกาทั้งสามารถพูดจากันได้ถามเรื่องราวต่างๆกันได้ทัพพุทธเจ้าทรงมีพุทธกิจ อ, อย่างหนึ่งซึ่งทรงทาเป็นประจำ เวลาเที่ยงคืนจะมีพวกเทวดาจากที่ต่างๆมาเฝ้าทูลถามปัญหาและพระองค์จะทรงตอบปัญหาทุกข้อที่เทวดาเหล่านั้นถามเรื่องมงคลสูตรซึ่งกล่าวถึงเรื่องการไม่ครบคนพานครบบัณฑิตบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นต้นนั้น เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงถึงเรื่องเทวดาทูลถามปัญหาว่าอะไรเป็นมงคลและพระองค์ก็ได้ทรงตอบเช่นนั้นเรื่องในธํานองนี้ในคำทีได้บันทึกไว้ามากมายซึ่งเป็นการยากที่จะปฏิเสธว่าเรื่องอย่างนี้ไม่จริงพระพุทธเจ้าทรงติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ด้วยวิธีเข้าสมาธิ ซึ่งท่านจะทราบรายละเอียดได้จากข้อความในพระสูตรดังต่อไปนี้พระสูตรที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเทวดาทรงเจรจากับเทวดาด้วยวิธีของสมาธิสมัยหนึ่งถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ภูเขาหินพื้นราบแห่งหนึ่งชื่อว่าขยาศีสาก ใกล้หมู่บ้านขยาณที่นั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายก่อนที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ครั้งนั้นเรากําหนดเห็นแสงสว่างได้แต่ครั้งแรกยังไม่เห็นรูปทั้งหลายเราจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากเราจะพึงกําหนด เห็นแสงสว่างได้ด้วยและเห็นรูปทั้งหลายได้ด้วยญาณทัศน์ของเราอันนี้ก็พึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกฉานั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นครั้นแล้วเราก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้ด้วยและเห็นรูปทั้งหลายได้ด้วย แต่จะอยู่ในสมาธิเจรจาไตาถามกับเทวดาทั้งหลายยางไม่ได้กล่าวคือพอจะถามอะไรกับเทวดาสมาธิก็ถอยออกมาแสงสว่างก็หายไปรูปของเทวดาก็หายไปเราจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากเราจะพึงกำหนดเห็นแสงสว่างได้ด้วยเห็นรูปเทวดาทั้งหลายได้ด้วย และอยู่ในสมาธิเจราจาไตาถามกับเทวดาทั้งหลายได้ด้วยยาณาัศนะอันนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกเฉะนนั้นในเวลาต่อมาเราจรึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครั้นแล้วเราก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้ด้วยเห็นรูปทั้งหลายได้ด้วย และอยู่ในสมาธิจรลจา่ายถามกับเทวดาทั้งหลายได้ด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพทิกายไหนเราจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากเราจะพึงรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพทิกายนั้นเทพทิ่กายนี้ญาณทัศน์ของเราอันนี้ก็จะพึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีก ฉะนั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นอีกครั้นแล้วเราก็รู้จักเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพิกายนั้นเทพิกายนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้จุู่ติจากที่นั้นหรือที่นี้แล้วจะไปเกิดในที่ไหน และด้วยวิบากของกรรมอะไรครั้นแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าเทวดาองค์ น, นั้นอง์นี้จุติจากที่นั้นที่นี้แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้ด้วยวิบากของกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเทวดาแต่ละองค์มีอาหารอย่างไรสเสวยสุขและทุกข์อย่างไรครั้นแล้วต่อมา เราก็รู weiß, e ้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เสวยสุขและทุกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเทวดาแต่ละองค์โดยปกติมีอายุยืนนานเท่าไรขั้นแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอายุยืนนานเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่รู้ว่า เราได้เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านั้นในครั้งก่อนหรือไม่เราจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากเราจะพึงรู้ด้วยว่าเราได้เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้นในครั้งก่อนด้วยหรือไม่ยาณทัศนของเราอันนี้ก็จะพึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาท พยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 1. ครั้นแล้วเราก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้ 2. เห็นรูปทั้งหลายได้ 3. อยู่ในสมาธิเจรจาไตาถามกับเทวดาทั้งหลายได้ 4. รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทวกายั้นเทวกายานี้ 5. รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้ยุติจากที่นั้นที่นี้แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้ด้วยบากของกรรมอย่างนั้นอย่างนี้หกรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เจ็ดรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้ มีอายุยืนนานเท่านั้นเท่านี้แปดและรู้ว่าเราได้อยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ในครั้งก่อนด้วยหรือไม่ภิกษุทั้งหลายอธทิเทวญ า, าณทัศนนะซึ่งมีปริวัติแปดของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงใดเราก็ไม่ปฏิญาณว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ ในเทวโลกในมารโลกในพรมโลกในหมูประชาซึ่งมีทั้งสมณาราหเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อธิเทว ญ, ญาณทัศนาซึ่งมีปริวัติแปดของเราบริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญญาณว่าเราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ ในเทวโลกในมาราโลกในพรมโลกในบูกระชาซึ่งมีทั้งสวรรค์พรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและยานัศสนะได้บังเกิดจากเราด้วยว่าใจของเราได้ดุจพนแล้วโดยเด็ชฌานชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่นี้ต่อไปการเกิดใหม่ไม่มีอีกจากขยาศีสูตร คำว่ายานัศนะศาตราจาร์ริสเดวิสแปลว่าการรู้เห็น Knowing and Seeing ส่วนมติในอัธกถาท่านอธิบายว่ายานัศนะก็คือทิพยจักสูตคำว่าอธิเทวายานัศนะแยกออกเป็นสองคำคืออธิเทวะคำหนึ่งกับยานยัศนาอีกคำ อธิเทวะมีความหมายเท่ากับอติเทวะเทพที่ยิ่งใหญ่เทพชั้นสูงหรือจะแปลว่าเหนือเทพก็ด้ซึ่งคำแปลนี้ศาสตราจารย์ริสเดวิสได้ให้ไหว้ดังนี้อ s ซูฟิเรียออซูฟิกอรอบาฟกอฉะนั้นคำว่าอธิเทวญาณทัศนาึงแปลว่าการรู้การเห็นเทพชั้นสูง หรืออีกในหนึ่งแปลว่าญาณทัศนาคือทิพยจักรสุที่อยู่เหนือเทพทั้งหลายนี่เป็นการแปลตามมติของศาสตราจารย์ริสเดวิสส่วนในอัธกาฐาในตอนนี้ท่านไม่ได้อธิบายไว้แต่อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาดูตามเนื้อเรื่องแล้วคำว่าอธิธเทวญาณทัศนะควรจะแปลว่า การรู้การเห็นในเรื่องเกี่ยวกับเทวดาทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเรื่องราวของเทวดาทั้งหลายทุกชั้นทุกประเทศพระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นหมดทุกอย่างนั่ น, นึ่งโปรดสังเกตข้อความตอนท้ายที่ว่าภิกษุทั้งหลายอทิเทวญาณทัศนะซึ่งมีปริวัติแปของเรานี้ถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงไร เราก็ไม่ปฏิ ญ, ญาณว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่เพราะเหตุที่อธิเทวญาณทัศนะซึ่งมีปริวัติแปดของเรานี้บริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญาณว่าเราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากข้อความในตอนนี้หมายความว่า พระพุทธองค์ได้ทรงยืนยันว่าการรู้การเห็นในเรื่องเทวดาทั้งหลายของพระองค์นั้นได้เป็นไปถึงที่สุดแล้วและทั้งทรงมีความรอบรู้ในเรื่องเทวดาดีกว่าพวกเทวดาเสียอีกและโปรดทังเกตอีกว่าการรู้การเห็นในเรื่องเทวดาเป็นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างของพระโพธิญาณกล่าวคือ ถ้าพระองค์ไม่ทรงรู้ทรงเห็นเทวดาด้วยพระองค์เองแล้วถ้าโพธิญาณก็ไม่สมบูรณ์โปรดนึกถึงคำที่ว่าถ้าทิเทวญาณทัศนะไม่บริสุท ธ, ธิ์ดีพระองค์ก็ไม่ทรงปฏิญญาณว่าพระองค์ได้บรรลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณคำว่ามีปริวัติ8หมายความว่าการรู้การเห็นในเรื่องเทวดา ได้นำเดินไปเป็นขั้นๆซึ่งทั้งหมดมีอยู่แปดขั้นกล่าวคือเมื่อฝึกสมาธิจนจิตเป็นสมาธิดีแล้วครั้งแรกก็กําหนดเห็นแสงสว่างก่อนแต่ในขั้นแรกรอยู่ในรอบแรกนี้ยังไม่เห็นรูปทั้งหลายต่อเมื่อเจริญสมาธิให้สูงขึ้นไปขั้นหนึ่งจึงเห็นรูปทั้งหลายแต่ถึงกระนั้น ในรอบสองนีก็ยังเจรจาต่ายถามกับเทวดาทั้งหลายอย่างไม่ได้ต่อเมื่อเจริญสมาธิให้สูงขึ้นไปขั้นหนึ่งจึงเจรจาต่ายถามกับเทวดาทั้งหลายได้ดังนี้เป็นต้นคำว่าปริวัติแปลว่ารอบซึ่งริสเดวิสได้แปลไว้ว่าราว circle succession อันหนึ่ง พึงจําไว้ให้แม่นยําด้วยว่าการเห็นธรรดาเจ้าพึงมีได้ก็ต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิสูง ถ, ถึงขั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นและแสงสว่างที่เกิดนี้จะต้องสว่างมากและโปร่งสใสไม่มีสีอีกด้วยถ้าเป็นแสงมัวๆหรือเป็นแสงที่มีสีจะไม่อาจเห็นเทวดาได้โดยปกติ ผู้ที่ฝึกสมาธิได้แสงสว่างจะต้องฝึกมาจากการกำดดแสงสว่างภายนอกก่อนเช่นแพ่งแสงสว่างที่เกิดจากไฟธรรมดาหรือไฟฟ้าหรือผ้าคิตพระจันทร์ก็ได้วิธีนี้เรียกว่าเจริญอะโลกากสินแต่อย่างไรก็ดีคนที่ฝึกสมาธิโดยวิธีอื่นเช่น กำหนดลมหายใจถ้าจิตเป็นสมาธิสูงถึงขั้นจะตุตรชานแล้วแสงที่โปร่งสใสเช่นนั้นก็เกิดได้เหมือนกันห น, หนึ่งพึงสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุทิพยะจักสูตรก่อนแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ในขณะนั้นยังทรงละกิเลสไม่ได้ เพียงแต่กิเลสสมบลงด้วยอำนาจของสมาธิทิพยะจักษุเป็นคุณธรรมขั้นโลคิยะไม่ใช่ขั้นโล ก, กุตระซึ่งหมายความว่าคนธรรมดาก็อาจบรรลุได้ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นอริยบุคคลจึงจะบรรลุได้แต่อย่างไรก็ดีทิพยะจักษุยานนี้ก็ได้เป็นพื้นฐา น, นสำคัญ ที่ช่วยพระพุทโธได้ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งถ้าขาดญาณอันนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่อาจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จากเรื่องที่อ้างมานี้หวังว่าบางคนที่ชอบพูดว่าผีสารเทวดาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ตรัสถึงเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ไม่มีในพระพุทธศาสนา อะไรทํานอง น, นี้นานเมื่อได้รู้เรื่องนี้แล้วก็คงจะสงวนไม่กล้าพูดออกมาง่ายๆเช่นนี้อีกต่อไปอันหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านและผู้ชมนิทศการทางจิตได้เข้าใจลึกซึ้งถึงหลักวิชาในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะขอนนำพระสูวดมาแปลให้ท่านไปศึกษาอีกดังต่อไปนี้ ที่ภาวนาที่ทำให้เกิดทิพยะจักสุทธิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้มีอยู่สีอย่างคือหนึ่งสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในชีวิตประจำวันทิฏฐะธรรมะสุขาพิหารายะก็มี 2. สมาธิภาวนา บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัศนายานัศนาปฏิลาภายะก็มี 3. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็มี 4. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็มีภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอย่างไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในชีวิตประจำวันภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อใจได้สงบจากกลาม สงัดจากอากุโสลธรรมทั้งหลายแล้วย่อมเข้าถึงปฐมฌานซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอเกิดแต่วิเวกคือความสงัดจากกามและจากอากุโสลธรรมทั้งหลายและเมื่อวิตกวิจารสงบเธอก็ย่อมเข้าถึงทุติยาฌานซึ่งทำใจให้ผ่องใสและทำใจให้เป็นหนึ่งเกิดขึ้น ในทุติยฌานนี้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารแต่มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิคือความที่ใจเป็นหนึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารและเมื่อปีติจางหายไปเธอแพ้งดูแต่อารมณ์อยู่เฉยๆพร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขโดยทางนามกายเธอก็ย่อมเข้าถึงตริยะฌานซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีสติเท่งดูอารมณ์เฉยๆคือโดยไม่นึกคิดอะไรซึ่งเป็นการแท่งในสมาธิและมีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะย่อมเป็นสุขและเมื่อละสุขละทุกข์ทางกายได้ สมมนัตและโทมนัตก็ดับไปก่อนแล้วโทมนัตดับในขั้นปฐมฌานสมมนัตดับในขั้นตติยฌานเธอก็ย่อมเข้าถึงจตุทฌานซึ่งในฌานนี้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่มีสติปรากฏเด่นชัดมากเข้าใจเป็นเบียขาภิกสุทั้งหลายสมาธิภาวนาอย่างนี้ ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในชีวิตประจําวันภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอย่างไหนที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ยนานัทสนะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมกําหนด